คนเราเป้าหาศาสนาหรือว่าพึ่งพาศาสนาเนี่ยเพื่ออะไรนะอาจะพูดอย่างย่อๆสั้นๆคือเพื่อความสุขหรือเพื่อปลอดจากความทุกข์ถ้ามีทุกข์อยู่แล้วก็ขอให้ทุกข์มันมาลายหายไปอันนี้เรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของ ชาวพุทธทั้งหลายนะที่นับถือพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าบางคนเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการปฏิบัติในทางศาสนาที่ไม่เหมือนกันอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยก็หวังพึ่งพาพิธีกรรมพิธีกรรมเช่น าการหลอพระหรือว่าการสะดอกเคราะห์หรือว่าการเจริญหรือว่าการารับน้ำพุทธมนต์อาจจรวมไปถึงเช่าเครื่องรางของขลังเพื่ออะไรนะก็เพื่อ การมีโชคมีลาบมีสุขภาพดีมีความสำเร็จสำเร็จทั้งในแง่การงานหรือการเรียนอย่างหลายคนเป็นนักศึกษาไม่เคยสนใจศาสนาแต่ว่าพอทำวิทยานิพนธ์ต้องการให้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ก็ไปถวายสังฆทานเพราะเชื่อว่า บุญจากการถวายสังฆทานเนี่ยช่วยทำให้ประสบความเสเร็จในการเรียนวิทยานิพนธ์ ผ, ผ่านสำเร็จไปได้เรื่องสังฆทานก็ดีเรื่องการใส่บาตรก็ดีเป็นวิธีการทางศาสนาง่ายๆนะที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าหาเพื่อหวังความสุข ตามที่ตัวเเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความสุ่แบบโลกโลกอย่างเช่นอยากจะถูกรัตเตอรี่อยากถูกหวยพอใกล้วันหวยออกใกล้วันรัตเตอรี่ออกก็พากันไปใส่บาตรผ่าเราจะสังเกตได้ในพอใกล้วันออกรัตเตอรี่เนี่ยก็จะมีญาติโยมมาใส่บาตรกันมากขึ้นบางคนก็เจ็บป่วยก็ อาศัยบาตรจริงจังเพื่อได้หายเจ็บหายป่วยอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยศาสนาเพื่อบรรลุถึงความสุขหรือว่าปลอดพ้นจากความทุกข์ตามที่ตัวอนเข้าใจซึ่งมันก็มีหลายขั้นตอนขั้นพื้นฐานหรือว่าขั้นต่ำๆก็อาศัยพิธีกรรม อาศัยการสะดาเคราะห์อาศัยการถวายสังฆทานการใส่บาตเพื่อบรรลุถึงความสุขที่ตัวเองเข้าใจอันได้แก่มีโชคมีลาบมีอายุวันณสุขภัละมีความสำเร็จสูงขึ้นไหนก็อาศัยการสมาทานศีลนะซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ทำบ่อย เช่นศีลแปเจ็บป่วยขึ้นมาก็พากันมาถือศีล8อุโบสถศีลเพราะเชื่อว่าจะทำให้หายเจ็บหายป่วยหรือว่ามีทุกมีโศกก็หวังว่าบุญที่เกิดจากการสมาทานศีลเนี่ยมันจะช่วยทำให้ทุกโศกหายไปคืนสู่ความสุข คือสู่ความปกติสุขไอการสมาทานสีนี่มันก็ถือว่าใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความตั้งใจมากกว่าการไปทำบุญสะดอกเคราะห์ทำบุญหล่อพระถวายสังฆทานสูงขึ้นไปหน่อยนก็คือการภาวนาสมามาเจริญกรรมฐานหลายคนก็ มาบวชศิลจารณีมาบวชชีมาบวชพระเพื่อจะได้พ้นจากความทุกข์จะได้ประสบความสุขบางคนจะไปเรียนต่อที่เมือง น, นอกก็ขอมาบวชพระสักหน่อยเพื่อได้มีบุญกุศลอานวยให้ไปประสบความ สำเร็จในการเรียนอันนี้ก็เรียกว่าทำพ่อหวังบุญน่าจะเป็นการภาวนาแต่ก็มีหลายคนปฏิบัติสูงขึ้นไปด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นคือมาบำเพ็ญภาวนามาทำกรรมฐานเนี่ย ไม่ใช่เพื่อหวังบุญเพื่อต่อยอดให้มีความสุขความเจริญหรือว่าพ้นทุกข์หรือประสบความสุขทางโลกแต่มุ่งที่ผลทางจิตใจคือให้ใจสงบอันนี้ถือเรียกว่าเข้าใกล้ธรรมะขึ้นไปอีกหน่อยเพราะตอนหนักว่าเนี่ย แม้จะมีเงินทองแม้จะมีโชคมีลาบแม้จะมีความสำเร็จมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขหากว่าจิตใจยังว้าวุ่นฟุ้งซ่านจิตใจยังก่อเกี่ยวอยู่กับความทุกข์ในอดีตหรือว่ามีความวิตกกังวลกับอะไรต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่า เห็นร่า ง, งาเงาแห่งความทุกเนี่ยใกล้ umm คำสอนของพระจ้า ม, มากขึ้นคือเห็นว่าเแด่งทุกเนี่ยอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่การประสบกับอิทธารลมอิทธารลมก็คือได้ลาบได้ยศได้ความสารสเสริญหรือว่าได้สุขแบบโลกโลก ได้ลาบก็จริงได้ยศก็จริงแต่ว่าทุกข์ก็มีนะเพราะว่าจิตใจมันวาวุ่นหรืออาจจะเป็นเพราะไม่รู้จักไปไม่รู้จั ก, กวางหรือเพราะมีความโลภได้เท่าไหร่ก็เลยไม่พอสักทีก็เลยหันมาฝึกจิตนะเพื่อเกิดความสงบ อันนี้ก็เรียกว่าเห็นความสุขในระดับที่ลึกขึ้นอาศัยการปฏิบัติที่สูงขึ้นคือความสุขที่ประเสริฐกว่าการมีเงินมีทองมีลาบมียะคือความสงบในจิตใจและเนื่องจากเห็นว่าเนี่ยที่จิตใจเป็นทุกข์เพราะว่ามันชอบคิดฟุ้งซ่านคิดสารพัดทะเลทลเรื่อยเปือ่อย หรือว่าคิดแบบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนก็เลยมาใช้การภาวนาการฝึกสมาธิโดยเน้นการบังคับจิตให้สงบฝึกจิตให้สงบบังคับจิตให้นิ่งเพราะว่าถ้าจิตมันนิ่งนะไม่คิดเรี่ยราดไม่ทะเละไะถล ไม่ไปหวงคิดถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดในเดีตไม่ไปมัวปรุงแต่งกับเหตุการณ์ที่จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตจนเกิดความหนัก อ, อกหนักใจคววิตกกังวลก็เกิดความสงบได้และเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะก็เพราะฉะนั้นก็เลยเน้นเรื่องการฝึกจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบอันนี้ก็เป็น วิธีการที่หลายคนได้ใช้แต่หลายคนก็จะพบว่ามันไม่ใช่ง่ายนะเพราะจิตเนี่ยมันไม่ยอมสงบนะบังคับจิตยังไงให้อยู่นิ่งๆมันก็ไม่ยอมอยู่นิ่งยิ่งห้ามคิดมันก็ยิ่งคิดแต่บางคนก็พบว่าบางครั้งจิตมันก็สงบได้ ถ้าหากว่าเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจหรือว่ามีคำบริกรรมมาคอยผูกจิตเอาไว้ไม่ให้เพ่นพ่านทะเลทลไหลแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าจิตมันไม่ยอมอยู่ในอานัตอยู่ในการบังคับวงการของเราแต่สิ่งที่จะเรียกว่าทำได้ง่ายกว่า ก็คือว่ารู้ทันนะรู้ทันเวลาจิตมันฟุง้งเวลามันทะเลยลอาจารย์ประโมทนะท่านให้ข้อคิดที่ดีท่านบอกว่าเนี่ยการที่จะบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบเนี่ยมันยากแต่ลองทำตรงข้ามหรือทำกลับกับด้านนะก็คือว่าให้มารู้ทันเวลาจิตมันฟุง้งเวลาใจมันไม่นิ่งเนี่ย จะพบว่ามันง่ายกว่ากันเยอะเลยบังคับจิตให้สงบนะฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยนะมันมันยากยิ่งไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนหรือว่าไม่มีความตั้งใจมากพอเนี่ยจะท้องง่ายแต่วิธีที่ง่ายกว่าคือว่าอนุญาตให้มันฟุง้งนะไม่ได้บังคับให้มันนิ่งเพียงแต่ มาฝึกรู้ทันเวลาใจไม่สงบเวลาจิตไม่นิ่งไอ้แบบนี้นี่ง่ายกว่าเรียกว่าเป็นการยอมรับธรรมชาติของใจและวิธีนี้ก็ทาให้จิตสงบได้นะไม่ใช่สงบเพราะบังคับมันแต่สงบเพราะรู้ทันมันหลวงปู่เทีนท่านก็สอนอย่างนี้แหละนะก็คือให้มารู้ทันความคิดให้มารู้ทันอารมณ์ ถ้าใจมันไม่คิดอะไรก็ให้มาอยู่กับกายมารู้กายที่เคลื่อนไหวเอากายเป็นฐานแต่พอใจมันเผลอไพรยทะเลทลัยก็ไม่ต้องไปห้ามมันก็เพียงแค่รู้ทันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความสงบ เ, เป็นความสงบที่เกิดจากการรู้ทัน เป็นความสงบที่เกิดจากความรู้สึกตัวซึ่งก็จะทำให้ไม่เพียงเกิดความสงบใจแต่ว่ายังทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของกายและใจด้วยพราะวาจาถ้าฝึกสติให้มารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ การเห็น บ, บ่อยๆการรู้ บ, บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นธรรมชาติของใจธรรมชาติของความคิธรรมชังอารมณ์ที่มันแสดงออกมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์ที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายก็เหมือนกันเมื่อเดินอย่างมีสติมันก็จะเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยมันไม่ใช่เราเดิน มันไม่ใช่กูที่เดินนะมันเป็นรูปที่เดินไอ้ที่คิดมันไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นนามที่คิดหรือเป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับนามไอท้ที่โสกรธที่โศกเศร้านี่มนไม่ใช่เราโกรธเราโศกเราเศร้าแต่มันเป็นแค่อาการของจิตหรืออาการที่เกิดขึ้นกับจิตคือมันค่อยค่อยเพิกถอนความสําคัญบรรทหมายในตัวกูของกู ไปทีลน้อยทีลน้อยซึ่งถ้าถอนหรือลดความสำคัญมากหมายในตัวตนหรือในตัวกูของกูมากเท่าไหร่ใจมันก็สงบได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดและในอารมณ์ต่างๆน้อยลงอันนี้ก็เลยเป็นความสงบนะเป็นความสงบที่เกิดจากการมีสติรู้ทัน เป็นความสงบที่เกิดจากการที่ไม่ได้บังคับจิตให้นิ่งนะแต่ว่าแค่รู้ทันเฉยๆเรียกว่าสงบเพราะรู้ก็ได้นะซึ่งหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ยเออมันก็จะพบว่าใจมันก็สงบได้แล้วเกิดความสุขขึ้นมาอย่างแล้วก็ตามเนี่ย เท่านี้ยังไม่พอนะการปฏิบัติเนี่ยของเราเนี่ยมันควรจะพัฒนาขึ้นไปกว่านั้นคือไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพบกับความสงบหรือพกความสุขเท่านั้นนะแต่ว่าต้องปฏิบัติไปจนถนนึงขั้นว่าสามารถจะอยู่ออกความไม่สงบสามารถจะอยู่ออกความทุกข์ได้ ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ต้องไปถึงขั้นนี้เลยนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อหรือฝึกจิตเพื่อให้ใจสงบและมีความสุขแล้วก็หยุดเท่านั้นหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติแล้วก็หยุดเท่านั้นแหละ เ, เ, เ, เพราะว่าพอจิตมาสงบมีความสุขก็เกิดความเพลินเกิดความพอใจเกิดความยึดติดขึ้นมา โดยที่ไม่ไหลักความจริงว่าให้ความสงบหรือความสุขที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงและสิ่งเราต้องเจออยู่อย่างนี้ไม่เพียงแคคือความไม่สงบและความทุกข์อันนี้คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบในใจหรือความไม่สงบจากสิ่งภายนอกอ่าหลวงปู่เสาเนี่ยนะท่านภาวนามาเยอะนะ ท่านเคยเล่าเคยเล่าให้หลวงพ่อพุธฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านวันนี้มีนท่ท่านเปย์ขึ้นมาวันเนี้ยจิตข้าไม่สงบนะมันแต่ไม่ได้ความคิดหลวงพก่อพุธเลยถามว่าเนี่ยจิตต้องจำฟุ้งเหรอท่านก็ไม่ตอบตรงๆถ้าบอกว่าแต่ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าจิตมันนิ่งก็ไม่ก้าวหน้านะ ก็ขนาดหลวงปู่เสานี่ท่านเรียกว่าเป็นนักภาวนาเป็นยอดปรมาจารย์นะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มันนะแต่ท่านก็ยังยอมรับว่าเนี่ยบางครั้งจิตท่านไม่สงบเพราะมันมีความคิดแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหายนะเพราะว่าไอ้การที่จิตไม่นิ่งนี่แหละนะมันทําให้เกิดความก้าวหน้าเพราะได้เห็นได้เรียนรู้นะธรรมชาติความจริงของความคิดความปรุงแต่ง ให้เราต้องเวลาเราภาวนาเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปหวังแต่เพียงว่าขอให้จิตฉันสงบขอให้ฉันได้เพื่อแต่ความสุขอันนั้นยังถือว่าประมาทอยู่ต้องไปถึงขั้นว่าเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความไม่สงบอยู่กับความทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะว่าความไม่สงบก็เป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นของชั่วคราว เมื่อสงบหายไปก็เกิดความไม่สงบมาแทนที่เมื่อความสุขหายไปก็เกิดความทุกข์มาแทนที่แม้ไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบในใจหรือความไม่สงบจากสิ่งวัล้อมภายนอกสิ่งทั้งมันคืออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกอันนี้มันเป็นวิชาขั้นสูงนะซึ่งเราก็ต้องฝึกกันนะเพราะว่าการที่เราจะ ปลอดพ้นจากความทุกข์เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะความทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างน้อยก็ทุกข์กายยุงกัดมดกัดนะหรือว่าความเจ็บความป่วยพวกนี้คือสัจ ธ, ธรรมความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่เราสามารถฝึกจิตให้สามารถอยู่กับความทุกข์ได้โดยใจที่ไม่ทุกข์นะ อย่างที่เคยเล่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินจงกรมเดินไปแล้วก็ไปเหยียบรังมดนะเพราะว่าก่อนน้นนัน้นเนี่ยฝนมันตกเบาๆนะกมันก็ไอ้มดมันก็แตกรังเดินเพ่นพ่านตามทางเดินจงกรมพอเดินจงกรม แถมเดินเท้าเปล่าด้วยนะโอ้มดมันก็ไต่ขึ้นมาตามขาเข้าไปในร่มผ้าหลายคนนะโอยปวดคันกระทืบเท้าอย่างพี่ยังคนหนึ่งต้องการฝึกนะว่าเออเราจะอยู่กับความเจ็บความปวดได้ไหมอยู่กับมาด้วยใจที่สงบเธอก็ลองมาสังเกตนะมาดูกายเอามาดูใจก่อนนะเห็นความกลัวเกิดขึ้นกลัว กัวมดจะกัดเห็นความกลัวพอรู้ทันความกลัวความกลัวก็ดับจิตก็นิ่งอันนี้มดเนี่ยมันก็เริ่มกัดแล้วนะพอเริ่มกัดก็เห็นเวทนาเห็นเวทนาความเจ็บนะบางทีก็เจ็บเหมือนทูบจี้นะเป็นดวงเล็กดวงใหญ่ก็ดูมันดูเวทนา แลมาดูกายนะมาดูกายเห็นหัวใจเต้นเร็วเม้นปากกัดฟันระพิบตาก็เห็นแล้วก็รับรู้เฉยๆเพราะว่าสักพาพมันก็นิ่งแล้วก็มาดูใจนะใจมีความกังวลกระสับกระสายก็เห็นมันแล้วก็สงบเพราะว่าใจเธอเนี่ยสงบเลยสงบเนี่ยทั้งที่ว่า ความเจ็บเพราหมดกันนี้ก็ยังมีนะแล้วก็มีหลายจุดด้วยแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะอยู่กับความเจ็บความปวดความคันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะมีสตินะมีสติมีสติดูกายดูจิตดูเวทนาเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดตัวเทียงก็แปลกใจนะมันสงบได้นะ มันสงบได้ทั้งที่กายนี้ปวดส่วนใหญ่คนเราเวลาเดินจงกรมเราก็อยากจะเลี่ยงนะไอ้ที่มันมีมดมีมแมลงอยากจะพบกับความสงบและคิดว่าถ้าหากว่ามันมีอะไรมากัดใจจะไม่สงบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ารู้จักอยู่กับความเจ็บความปวดความคัน ทางกายได้ใจมันก็สงบได้นะหลวงพ่อคําเขียนยุบอกว่าเนี่ยตอนที่ท่านป่วยท่านบอกสนุกป่วยนะสนุกป่วยกวหย็หมายความไงหมายความว่าก็อยู่วความป่วยอยู่กับทุกข์เคยไปทางกายไ ด, ได้ใจที่ไม่ปวดมันเป็นศาสตร์ขั้นสูงนะเจอทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์เหมือนกับคุณคุณยายคนนึงนะโบกแกหกลมนะ กระดูกหักเลยนะกระดูกแขนนี่หักสติก็ดีมากนะแกก็ตัดแจงทําธุราตเสร็จก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลมีมีหลานมีลูกสะพ้ยเนี่ยตามไปด้วยไปโรงพยาบาลหมอจัดกระดูกถามว่าจะฉีดยาชาไหมยายบอกไม่ฉีดนะจัดกระดูกเลยก่อนที่จะใส่เฝือง ตอนที่จัดกระดูให้มันเข้าที่นี่นยายแกเห็นสีหน้าก็รู้เลยนะว่าแกปวดแต่แกไม่ร้องเลยพอกลับมาถึงบ้านลูกสะภ้ายก็ถามว่ายายทำไมไม่ร้องเลยไม่ปวดเหรอยายบอกปวดแต่ว่ามันก็เป็นสังวะเวทนาล้วก็อย่าไปยุ่งกับมัน ว่าเป็นคําพูดสั้นๆันจะมีความหมายดีนะมันเป็นศักแต่ว่าเวทนาเราก็แค่อย่าไปยุ่งกับมันคืออย่าไปผักใสายมันอย่าไปจดจ่อกับมันแล้วพูดแบ บ, แ บ, บหลวงพ่ อ, อคําแก้คือแค่รู้มันเฉยๆแค่ดูมันเฉยๆกายปวดนะแต่ว่าใจไม่ปวดนะนี่เรียกพ่อมีสติดูมันอันนี้ก็เรียกว่าสามารถจะอยู่กับความทุกข์ หรือความไม่สงบทางกายเนี่ยด้วยใจที่ไม่ทุกเนเราต้องฝึกนะถ้าเราเป็นนักภาวนาะต้องฝึกมาถึงขั้นนี้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าฝึกจิตเพื่อจะให้พบกับความสงบและความสุขมันไม่พอมันต้องฝึกเพื่อสามารถจะอยู่กับความไม่สงบและความทุกได้ด้วยใจที่ไม่ทุก พอชื่อของเราเนี่ยมันหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นนะความไม่สงบในจิตความเจ็บปวดทางกายความสูญเสียความพัดพรากไอ้พวกนี้เรียกว่าทุกข์นะหรือว่าอ น, นิจจารมแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วใจไม่ทุกข์ก็ได้เพราะสามารถจะอยู่กับมันได้ไถ้าเรา เราฝึกมาถึงตรงนี้เนี่ยนะถึงจะเรียกว่าเออพอจะมีหลักประกันบ้างว่าเมื่อเจอความผันผวน ป, ว น, ปวนแปรในชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ทุกข์ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายหรือว่ากับความคิดละอารมณ์ภายใน งั้ถ้าเราคิดแต่ว่าจะหนีทุกข์หนีทุกข์หรือว่าจะเจอแต่หวังแต่ความสงบอีกเดียวไม่พอแม้เจอความไม่สงบเสียงดังเจอคนรอบข้างทําตัวไม่น่ารักเจอความเจอความปวดเจอความสูญเสียแต่ก็อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์อันนี้แหลนะน่าเรียกว่าเป็นการพัฒน์เป็นการฝึกจิตขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะแต่ใดที่เรายังฝึกจิตเพียงแค่ว่าหวังความสงบและความสุข อันนี้ก็ยังถือว่ายัางยังไม่ดีพอยังไม่มีหลักการเพียงพอพอความสงบหรือความสุขที่แม้จะบรรลุนะแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงและถ้ามันกลายเป็นความไม่สงบกลายเป็นความทุกข์ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ความรับแค้นใจ